สองร้อยสามสิบเจ็ดกรรมเป็นสัจจะทำแล้วไม่มีใครเปลี่ยนมันได้เพราะสัจจะนั้นคนใดจะทำชั่วหรือทำดีก็ตามทำเสร็จแล้วชั่วหรือดีก็ต้องเป็นของคนทำตามชั่วตามดีนั้น คนผู้ทำก็ต้องเป็นทายาทกรรมชั่วหรือกรรมดีนั้นๆของตนแน่นอนกรรมมกะคนทำชั่วก็ต้องได้มดรดกชั่วตามสัจจะไม่เอาไม่ได้จะยักย้ายโดยเอาการกระทำของคนผู้หนึ่งที่ทำไปยัดใส่ให้เป็นของคนผู้ไม่ได้ทำซึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง มันเป็นสัจจะกันตรงไหนมันเป็นไปได้ยังไงก็เมื่อเราไม่ได้ทําดีอย่างที่ดีเหมือนคนอื่นเขาทําเราทําคนละอย่างกับดีทําชั่วแท้ๆแล้วจะเป็นดีได้อย่างไรเมื่อทําชั่วมันก็ต้องตกต่ามันก็ต้องได้ความชั่วได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นผล สัจจะมันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะที่เรากำลังพูดกันนี้มันเป็นเรื่องของสัจจะขาวก็เป็นขาวดาก็เป็นดำคุณก็เป็นคุณโทษก็ต้องเป็นโทษดีก็ต้องเป็นดีชั่วก็ต้องเป็นชั่วเมื่อมีชั่วเป็นเชื้อพันมันก็ต้องออกผลเป็นชั่วตามสัจจะ เมื่อทำชั่วเป็นกรรมพันธ์มันก็ต้องออกผลเป็นชั่วเบี้ยวสัจจะไม่ได้เว้นแต่คนหลงผิดสร้างความวิปลาสให้แก่ตนเองคือทำความรู้สึกเวทนาให้แก่ตนผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนไปจากสัจจะ ก, ก็เป็นมโนโมยัตาคืออัตตาที่สำเร็จด้วยจิต ที่ตนเองทำให้วิปลาสจากความจริงคนวิปลาสเพราะยังมิฉาทิฐิหรือยังอวิชชาจะสร้างอัตตาให้แก่ตนเองอยู่อย่างนี้เองจึงเป็นคนอสัจธรรม